ขีตะร้องเพลงของชาวบ้านพระก้อละขีตะเพลงขับสืบละทิของพราหมณ์พระก้อเวนได้บอกแต่ต้นแล้วว่ามนต์มันตราเป็นหลักสำคัญแกนกลางของศาสนาพราหมณ์คือหมายถึงตัวพระเวท ด, ดั้งเดิมจนถึงอาถ ร, ระเวทที่เป็นท้ายสุดพระพุทธศาสนาไม่ใช้คำนี้นอกจากใช้เชิงเทียบเคียงอย่างที่ว่าล้อคำล้อความ เช่นเรียกพุทธพจน์ว่าพุทธมนอย่างที่ได้เล่าให้ฟังแล้วที่นี้เคียงคู่มากับคำว่ามนนั้นก็มีคำว่ากีตานี่แหละซึ่งบอกว่าบทมนอันเป็นปาพจน์คือคำสอนที่เป็นหลักประธานของลัทธิบทมนอันเป็นปาพจน์ของพราหมณ์นั้นอันเหล่าฤาษีปางก่อนผู้ทรงไตรเพศคือฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพ หรือศีเวสมิตรหรือวิศวามิตหรือศียมัตคีหรือศีอังคีรสหรือศีภารัวาชะหรือีวาเสตเถหรือศีกัสปะหรือีพัก ค, คุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่บัด น, นี้พวกพรามผู้ทรงไตรเพศก็บอกเล่ากล่าวคานขับร้องกันอยู่ผากันขับคานตามอย่างคืออนุขายันติอนุขีตะเล่าเรียนตามกันมาตามบทมน์เก่านี้ ที่เหล่าฤาษีปางบันเหล่านั้นได้ขับร้องมาแล้วเป็นขีตะผูกไว้บอกไว้รวบรวมไว้ข้อความที่ว่ามันนี้อยู่ในพุทธพจน์ที่ตรัสตอบโต้และส่งสอนพราหมณ์ใหญ่ๆในการาบเผชิญวาทะครั้งสำคัญสคญปรากฏในพระไตรปิฎกถึงสิบสองครั้งพระองค์ทรงยกความนี้ขึ้นมาตรัส เพให้เขารู้เข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงปฏิเสธระบบความคิดความเชื่อและคําสอนของพวกพราหมณ์ดังเช่นที่ตรัสว่าการที่เหล่าฤาษีจนถึงพวกพราหมณ์เหล่านั้นพากันกล่าวอ้างพระพรหมผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าถามเหล่าฤาษีและพวกพราหมณ์เหล่านั้นไม่ว่าท่านใดว่าได้เคยพบเห็นประจักษองค์พระพรหมเป็นเจ้านั้นไหมว่าพระองค์อยู่ที่ไหนไปมาอย่างไร ก็ไม่มีใครตอบได้ระบบความคิดของพรามจึงเป็นเหมือนแถวคนตาบอดคนข้างท้ายก็อ้างตามคนที่ต่อมาก่อนตัวอ้างกันไปอ้างกันไปแต่ลงท้ายที่แท้แม้แต่คนหัวแถวก็ไม่ได้เห็นพัควัตคีตาคือบทเพลงของพระเป็นเจ้าอันเป็นคำสอนสำคัญยิ่งของฮินดูซึ่งพระกฤษณะกล่าวในตอนเริ่มสงครามมหาภารตะ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของขีตานี้ตามที่กล่าวนี้เห็นได้ชัดว่ากีตเป็นอาการสําแดงตัวเป็นความปรากฏตัวของระบบการสืบสายถ่า ย, ายทอดลัทธิของศาสนาพราหมณ์จึงเป็นธรรมดาว่าพระพุทธศาสนาจะไม่ทําตามอย่างแต่จะใช้วิธีที่ทําให้คนสะดุดมองเห็นความแตกต่างตั้งแต่แรกพบเห็นแต่ก็อย่างที่ว่าแล้วเช่นเดียวกับคําว่ามน มีกรณีที่ในพระพุทธศาสนาใช้คําว่ากีตะในเชิงเทียบเคียงทำนองเรียนคําล้อความกีตะของรามขอให้สังเกตว่าบทมนที่เหล่าฤาษีปางกรขับร้องไว้เป็นคีตะและพวกรามก็อนุคายะอนุกีตะอนุคีติคือขับร้องสืบทอดต่อกันมาตามนั้นกรณีที่จะยกมาเล่านี้ เป็นเรื่องใหญ่ในเหตุการณ์ที่เด่นดังคือมีพราหมใหญ่ชื่อภาวรีไปบวชเป็นชดินตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวรีในอัสกรัฐมีลูกศิษย์เก่งๆมากมายต่อมาท่านได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเมื่อมีโอกาสจึงจัดส่งมานพชั้นนำสิหคนไปถามปัญหาที่มกทรัต พระพุทธเจ้าทรงตอบให้ทุกคนเข้าใจจำแจ้งเกิดความเลื่อมใสขอบวชทั้งหมดคำถามชุดนี้เรียกว่าโสรถปัญหาและธรรมบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบชี้แจงอธิบายเรียกว่าปารายณนะแปล ว, ว่าทางไปถึงฝั่งในมนุสิบหคนนั้นคนสุดท้ายที่ชื่อว่าปิณกิยะเมื่อบวชเป็นภิกษุแล้ว ได้กราบทูลลาพระพุทธเจ้าขอกลับไปส่งข่าวแก่อาจารย์เกา่าคือท่านพราหมณ์ภาวรีเพราะได้รับปากไว้ว่าจะกลับไปเล่าเรื่องเล่าผลให้ทราบภาวรีพราหมณ์พบพระปิงกิยะกลับมาแด้ต้อนรับอย่างดีและจัดที่ให้พระปิงกียะนั่งเล่าเรื่องราวในการถามตอบปัญหาที่ได้ไปฟังไปรู้มาตลอดทั้งหมดพระปิงกียะพอเริ่มเล่าก็ขึ้นต้นว่า ปารายณะมนุคหายสังนี่คือใช้ภาษาของพรามที่พรามด้วยกันฟังแล้วเข้าถึงซึ้งใจทันทีถ้าแปลาตามถ้อยคำแบบพรามนั้นก็คือบอกว่าข้าพเจ้าจะขับร้องปารายณะธรรมบัญญายดังที่อธิคถาไขคำไขความไว้ให้ว่าภควตากีตังอนุคหายสังข้าพเจ้าจะขับร้องตามซึ่งธรรมะ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับร้องไว้แล้วนี่คือพระปิงกียะแม้จะสละความเป็นพราหมณ์บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วแต่ด้วยความที่ท่านมีความชานาญถนัดในระบบของพราหมณบเป็นอย่างดีเมื่อจะบอกความแก่ท่านผู้เป็นพราหมใหญ่ก็จึงเรียบเรียงถ้อยคําสำนวนบอกเล่าเรื่องพุทธด้วยภาษาของพราหมณ์ดังที่ว่านั้น ซึ่งทำให้ท่านปรามอาจารย์เก่าเข้าถึงธรรมบัญญายของพระพุทธเจ้าได้ถนัดจิตถนัดใจแต่ว่าโดยสาระพูดด้วยถ้อยคำสามัญก็คือระปิงกิยะบอกว่าข้าพเจ้าจะเล่าปารายณะธรรมบัญญายตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เท่านั้นเองและที่ตรัสคราวนั้นจะมีทำนองเสียงอย่างไรเรารู้ไปไม่ถึง แต่ก็คือไม่ใช่ทํานองอย่างของพราหมณ์เพียงแต่เป็นเชิงเทียบเคียงล้อคาล้อความดังที่ว่าแล้วเรื่องที่มีการใช้คำจำพวกคายะคีตะคีติในเชิงเทียบเคียงเรียนคำล้อความของพราหมณ์อย่างนี้มีอีกไม่มากล้วนเป็นเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าทรงรเผชิญและผจนพราหมณ์เช่นที่ตรัสคาว่าคาถาภิคีตะ ซึ่งก็พึงเข้าใจตามนัยยะที่พูดไปแล้วสำหรับการจัดนำคำว่ามูลคีติอนุคีติสังคีติมาใช้ในการอธิบายธรรมพึงดูในคำพีเนติปกรณ์ทีนี้ก็มาถึงคำสำคัญคุมท้ายคือสังคยนาและสังคีติซึ่งเป็นคำที่ใช้ในความหมายพิเศษ ที่ว่าสวดพร้อมกันเป็นการแสดงความยอมรับเป็นมติอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเรื่องที่ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับคันทัปรินิพานสามเดือนพระอระหันห้าร้อยองค์มาประชุมกันโดยมีพระมหากรสปะเป็นประธานและซักถามฟังพระอานน์และพระอุบาลีวิสัชนาบอกเล่าสัทยายพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนแสดงไว้บัญญัติไว้ เมื่อตรวจสอบทวนทานจบยอมรับกันแล้วที่ประชุมทั้งหมดก็สวดคำถามที่ยอมรับแล้วนั้นพร้อมกันเรียกว่าสังคยนาคือร้อยเรียงรวมไว้โดยถือเป็นการตั้งแบบแผนที่ยุติแล้วเป็นการสาตยายพร้อมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวของที่ประชุมทั้งหมดแต่จะสวดว่าเป็นทํานองเสียงอย่างไรที่สมควรแก่พระสงฆ์นั้นไม่อาจทราบแน่นอนได้